ก็มีโทสะขึ้นมาพอมีสติรู้ทั น, นจิตที่มีโทสะก็ดับกลายเป็นจิต ท, ที่ไม่มีโทสะจิตไม่มีโทสะอยู่ไปไม่นา น, นพอะกระทบอารมณ์อีกนี่ใส่เก่าวมีขี้มโหเดี๋ยวเมื่อโมโหอีกจิตมีโทสะขึ้นมาอีกดูไปเป็นคู่มันก็จะเห็นเลยจิต ท, ทั้งหลายไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูน่ะ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 ก็คอยคิดนะกลับมาก็คอยคิดอีกทำไงจะดีกว่านี้ทําไงจะดีไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติให้รู้ถูกเข้าใจถูกนะคิดว่าปฏิบัติยังไรจะดีปฏิบัติงไงจะเกิดมากผลนิพพานเยอะๆหนึ่นงจะเกิดบ่อยๆดิ้นรนใหญ่ ใ, หใช้เวลามากในการเรียนรู้ลองผิดไม่มีลองถูกหรอกมีแต่ลองผิดลองที่ไรผิดทุกทีเลย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 อย่างเราทุกข์มากนะแต่ละคนบางทีสังเกตให้ดีเราเป็นทุกข์เพราะว่า <Alo Chris? S 1> เรายอมรับสภาว่าของปัจจุบันไม่ได้อย่างเราแก่ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์มากนะเราเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์มากเราใกล้จะตายยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์มากเราเจอคนท <iamo> ี่เราไม่รักต้องอยู่กับคนที่เราไม่รักไม่ชอบใจก็ทุกข์มากเราพลาดพลากกับคนที่เรารักที่เราชอบใจเราก็ทุกข์มาก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 คนไทยมันอยู่เป็นครอบครัวรวมๆกันเยอะนี้พอมาสังคมมันเปลี่ยนลูกหลานแยกออกไปหมดเรียนหนังสือบาถทีก็แยกออกไปละอยู่กันสองคนตา ย, ยายเงยียบเหงานะก็ยังมีเพื่อนกันถ้ตายไปคนหนึ่งนยะโอ้โหเฉาเลยเขาเนี้เฉนะาเดี๋ยวถ้าเราพอนาได้นะก็มีความสุขอยู่อยู่คนเดียวก็ดีไม่ต้องคุยกับใครนะสบาย บางคนอยู่คนเดียวไม่มีใครคุยด้วยกลุ้มใจถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะอยู่ลําพังของเราไม่มีคนซึ่งดีกว่าเราหรือคนเสมอกระเรานะเราอยู่ของเราคนเดียวเรามีความสุขหายใจเป็นเพื่อนไปก็ได้ะพุโทโธเป็นเพื่อนไปก็ได้ไม่ต้องมีเพื่อนเป็นมนุษย์หรอกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะั่งอยู่ไปเรื่อยมีชีวิตอยู่มีความสุขออกจะตายไป ใจยอมรับความจริงได้น ะ, ะใจเขาอยู่ที่ไหนก็มีความสุขที่นั่นแหละถ้าใจยังคันคันใจยังหิวหิวนะอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขนี่ใจมันจะยอมรับความจริงได้เราก็ต้องเอาความจริงไปให้ใจเห็นบ่อยๆพาจิตมันดูของจริงของจริงของร่างกายก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของจริงของจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูไปเรื่อยดูไป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 ท่านถึงชนะหมานได้ถ้าเรากล้าสละธรรมะเพื่อชีวิตเราก็เราก็เป็นลูกน้องหมา น, น <ะ S 1> ใครกล้าสละธรรมะเพื่อชีวิตบ้างทั้งห้องแหละใครกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะก็เป็นคำขวัญถ้าบารมีไม่พอสู้ไม่ไหวหรอกอย่างบารมีสิบตัวนะฐานะบารมีฐานะบารมีก็มีสามระดับ